วَาَ่ะม้ากั้นยิ م าอ้ายล ل าอุตมาดัลลหุมอลาโมติหิอั ه ดาบะตุล้อมมาดัลลหุมอ ก็ก u ุ้มในเส ata في العذاب ا ل م ؤ ن لقد ا س ا ب ي ن م س ك ه م آ ي لقد كان لسابين في مسكنهم آ ي ة جنتان عن يمينه وشماله، كلوم الرزق ربكم وشكره. بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم س ي ل ا ل ع م ف ع ر ض و ا فأرسلنا عليهم س ي ل ا ل ع ر م وَبَدَلْنَا هُمْ ج َ ن َّ ت َ ه ِ م ْ ج َ ن َّ ت َِ و ي َ ا َْ ي ن ََ و َ ا ت ه ِ م ُ ل ِ خ َ م ْ ض ي ٍ و َ أ َ ت ْ ل ِ و َ ش َ ي ٍْ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ و َ ش َ ي ْ ء ٍ مِن ซาดิริ a มกาลิลลาลิ a า a ั้งยฟ้าหุมดิมา a าฟ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 و ่า ه, إ إ الله ه ش นว่าแล้วอิละอิลลอห์ ا ะเพ็เดห์ละชาริกะละ عبد ห์ละร ل ه, ه. ا ل ะอัลลอฮุมะบิกะอัลส์บะฮ์น่าวะ ب ิกะอัลม์ไซน่าวะบิกะนัฮยะวะบิกะนามุตุว่าอิลัยกะ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 اللهم عافني في بدني وعافني في س م f ي i fi samai wa'a'afni fi b a ل h r و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك ا س ت غ ي ث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้อง <c oughs> ที่ร่วมนมาสุบที่บ้านของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามาวิชาตัปเตออัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านทุกท่านนะครับัมด้ลิล่าด้วยความเมตตาของอัลลอ์สุพาณหูวาตาดานะครับที่อัลลอ์ให้สุขภาพของพวกเราที่แข็งแรงนะครับยังเดินไปไหนมาไหนได้นี่นี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะอย่าคิดเองว่าฉัน ออกกำลังกายเดินทีรุสวหลวงรอเก้าอย่าไปคิดตรงนั้นไอ้นั้นก็วขอบคุณตอนเดินน่ะผมแนะนำให้ซิกลุนล้อไปด้วยอย่าเดินอย่างเดียวคุยอะไรต่ออะไรปรีกๆตัวมาเดินคนเดียวก้างแล้วก็ซิกรุนล้อไปในตัวด้วยนะขอบคุณอัลลอ์นะที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ให้เราได้มีโอกาสได้นามายครบห้าเวลา ได้มีโอกาสได้มานามาที่มัสยิดนะครับซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็ให้เราได้มีโอกาสได้ศึกษาเนี่ยหาความรู้ความรู้จากวาฮีนะความรู้ที่มาจากประชาชนด้วยกันนะั้นะกับความรู้ที่ผ่านอนะัลลอห์น่ะต่างกันเยอะนะความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านนาบีผ่านกูรฮานีกว่าความรู้ผ่านวาฮีภาษาก็ชัดอยู่แล้วผ่านวาฮี ต้งนึกว่าให้เนี่ยมาจากอัลลอ์นะชั้นฟ้านี่นะขึ้นข้างบนอย่างเดียวถ้าใช้คนเนี่ยใช้เวลาห้าร้อยปีลงมาอีกห้าร้อปีแล้วเท่าไหรล่ล่ะพันปีตายกีย่รอบ <c oughs> นี่ขอบคุณอัลลอ์นะครับนี่เต้านี่ไม่ได้เหนื่อ ย, ยแล้วผู้ที่เหนื่อยน บ, บีนั่นเหนื่อยอ่ะ อ, อวัลกุรานท่านคำพี่อัลกุรอานทุกอายะ ในเล่มกราเนี่ยเป็นวหยเป็นความรู้ที่ผ่านวัยและเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นำมาไปปฏิบัติเนี่ยมีบรารักัดมีความจำเริญให้กับตัวเองอัลลอฮฺอักบรขอเล่านิดหนึ่งนะครับคือบทในในนมาดเนี่ยดูอานในนมาดเราเนี่ยอยากจะให้พวกเรานี่นึกด้วว่าแปลว่าอะไรมีความหมายว่ายังไงเอาแค่วัจรยาต่อนะ น, นะ เอาแค่ครึ่งเดียวนะอินนสซาลาตีวานุสกีวามหายาหัมามาตลิลลาฮิรอบบิลลาลมีนอวักเดียวก่อนแปลว่าอะไรอินนลาตีนี่เราว่าตอนตักเบใช่มอันวญจน์น่ะใช่ไอินนสลาตีแปลว่าการนมารของฉันนมาอะไรก็ตามแต่จะเป็นนมาสกนตัมัดฟรดูนี่รวมหมดเลยนะ อินนสลาตีวานุสุกีแล้ว ก, ก็การเสียสละของฉันเสื้อสัตว์ทำบุญเอาเนื้อแจกกันอะไรกันการจ่ายทั้งหมดนี่นะวามายายการมีชีวิตของฉัน24สี่ชั่วโมงที่หายใจได้นี่ไอ้พื่อน้องวามายายวามามตีแล้วก็ตอนตายของฉัน 4เรื่องนะอินนสซาลาตีวานุสูกีวามหายาห์วามามาตี4เรื่องนะไปบอกเราล่อหนาะการนมัารของฉันการเสียสละของฉันการมีชีวิตของฉันหายใจเนี่ยนะแล้วก็ตอนตายก็เหมือนกันลินเลยฉันทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อพระลอสดีปาทิ่ภาษาที่พูดเนี่ยดีมากเลยลนะินเลย แต่เร่เวลาทำจริงๆทำเพือ่ออัลลอฮ์หรือเปล่าก็ต้องเช็คตัวเองด้วยพูดนะทำเพือ่ออัลลอฮ์ลิลลาฮีอินนัสซาลัตีวานุสูกีวามหายายาวามามาตี ล, ลิลลาฮีร็อบบินาลามีวัชสุดท้ายเนี่ยพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจกักรวาอลอัลลอฮ์ลาชารีกลัลละลาชารีกัลละฮูฉันจะไม่ตั้งพาคีใดๆกับอลัลลอฮ์ นี่ภาษานี้ดีมากนะครับฉันฉันจะไม่เชื่อใครฉันจะไม่ปฏิบัติตามใครนอกจากอาลัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ความรู้ที่ผ่านท่านนาบีฉันปฏิบัติตามนะั้นละชารีกันละฉันจะไม่ตั้งภาคีฉันจะจะไม่ไปหาโตตะกียฉันจะไม่ไปหาโตรยองนี่นะ่ะสารภาพต่อร้ในภาษานี้ดีไหมดีมากครับแต่ต้องเช็คการปฏิบัติของเราด้วยเราทําเพืเอ่ออัลลอฮ์จริงหรือเปล่าอ่า บางคนทําเพื่อเอาหน้ามีไหมทาเพื่อเอาหน้านี่ก็รางวัลไม่มีนะทําเพื่อคนนั่นคนนี้ไม่มีรางวัลครับมันต้องทําเพื่อเอาลอตองเดียวถึงจะมีรางวัลตอบแทนจากอลลอตเราเน้นตรงนี้ครับพี่น้องทำเพื่ออลลอตให้หมดนะครับขอบคุณละลอตนะเรามาอ่านกุรณานมาถึงสุลตับะอ่าสุลต์ที่34ครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องว่าอาชีพอ า, อาชีพนะ นบีทั้งหมดเนี่ยมีอาชีพหมดนะครับมีอาชีพนะเป็นของตนเองนะแล้วก็รายได้รีสกีจากอาชีพเนี่ยเ อ, อ <c oughs> นานบีอาดัมเนี่ยนะมีอาชีพทอผ้านาบีอิดริสเย็บเสื้อผ้าอะลัยฮิสสลามแล้วก็สอนวิธีเขียนด้วยอัลลอฮ์สอนนาะยเขียนอีกเนี่ยเขียนชายประกาศ ย, ยังไงอะไรงไงีนนบีอิดริสนะ นี่เราต้องนึกคน เ, เขียนหนังสือต้องนึกเอลลาโลความรู้อันนี้มาจากไหนเนี่ยให้เขียนเป็นจับปากกาเป็นเหลืเขียนนู่นเขียนนี้นี่ความรู้นี่ผ่านนาบีอิดรลสนะคนที่สามนาบีนุ่นเนี่ยอัลลอฮ์สอนวิธีการต่อเรือให้นะครับคนที่สี่นบีอิบรอฮิมเนี่ ย, ม, ย <c oughs> มีอาชีพขายผ้ า, า, ามีอาชีพขายผ้านบีชอยฟ์เนี่ยมีอาชีพขายผ้าแล้วก็ ทอผ้าด้วยและขายผ้าด้วยไม่ใช่ขายเดินะทอก่อนแล้วก็ขายที่หลังส่วนนบีลุกมนันเาล่ออะฮิสลามเนี่ยทาเชือกแล้วก็ขายเชือกโอ้เห็นไหมถ้าอาชีพจะไปมองอาชีพตําไม่มีเรื่องตําไม่มีนอกจากทําทะไรนะอาชีพลักขโมยอย่างนปาชีพสนลอห้ามนั้นัดีทั้งหมดเละพี่น้องครับต่อมานบีสอนแล้วเนี่ย ทำถุงแล้ขายถุงถุงอะไรไม่ทราบนะถุงแบบไหนใหญ่ขนาดเราเราไม่รู้นะครับส่วนนบียะฮิยาเนี่ยค้าขายรองเท้าเห็นไหมแล้วก็ส่วนนบีซาการิยาเนี่ยเป็นช่างไม้อัลลอฮฺอักบัดแล้วก็นสมัยนบีมุฮัมมัดนบีสอนบอกว่าอะไรกลุมปิติญาเราท่านทั้งหลายจงจงแสวงหา r i s กีผ่านการค้านะครับ ว إ าอินนฟีฮะ ا ิสอาตุอาชเพราะว่าริสกีจากการค้านี่อัลลอฮ์ให้เยอะนะอัลลอฮ์ ا ักบัด้าเกส่วนนะเห็นไหมให้ตั้งเก้าะเห็มั้มริสกีอย่างอื่นเนี่ยก็ได้น้อยแต่ผ่านการค้านี่จะต้องไม่โกงนะเป็นการค้าที่มีบริกานะครับแล้วก็อัลตาจิลุุดัลอามีนมันบีัิดดีกีนชูฮด มังบุคคลีนะครับนักค้าขายที่จึงใจนะครับแล้วก็จะมีอามานะสูงในวันเกียร์มากฟื้นขึ้นมาจากกูโบแล้วเขาจะไปอยู่กับท่านบรรดานับีทั้งหลายและไปอยู่กับพวกซิดดีกีนทั้งหลายและไปอยู่กับคนที่ตายชาหิดทั้งหมดเนี่ยธุรกิจการค้าเนี่ยพี่น้องแต่ต้องต้องต้องไปตรงมานะ เพรคนที่ทําธุรกิจนะสามารถต้องช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์ได้ด้วยนะยังเงินมีทองมาเนย่ยนึกซื้อรถซื้อบ้านขยายบ้านลูกหลานเรานีิตรงแป่งหมดศาสนาไม่เคยช่วยเลยสุราไม่เคยช่วยโรงเรียนไม่เคยช่วยเด็กกำพ้าคนจนไม่เคยช่วยอันนี้ระวังให้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺอัลกุรอานเล่า ว, ว่าอาชีพของบรรดานาบีของบรรดาซอบ้านหนาบีธุรกิจหมดนะ ข, า, ขายหมดนะ นบีเองก็เคยมีอาชีพเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะแล้วต่อมาก็มาค้าขายให้ท่านยิงคอดียะค้าขายกันหมดเลยนะครับเอาวันนี้มาอายาที่ส4บสี่ังซูรสัซบะอายาที่ส4บสี่ซูรอที่ส4สี่นะครับฟَลَมมากอด ض ยนาอَลัยฮิล ه ِ ا ท مَا دَلَّهُمْ على ََ موت َِْ ه ِ إلّا َِ دابّة َُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ تكُلُمِنْ َ ساعتها َ فَلَمَّ ا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ا ل ْ ج ِ ن ُّ أ َ ل َّ هُوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ا ل ْ غ َ ي ْ ب َ ما لبثوا في ا ل ع ذ ا ب ا ل م ه ي ن الحمد لله فلما قضا فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض สะคุบายานดิลจัลล ل م ا ل غ ب س و ف ي ذ ب ا م ه ل ه อีมีหลประเด หลายประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งพูดเรื่องความตายความตายนะความตายเนี่เป็นมักลูกนะอัลลอฮฺให้ให้คนไอสารพสิส่งที่อยู่บนโลกเนี้ยหมดอายุนี่คือความตายนะต้องนึกเราต้องนึกเยอะเลยนะโอ้ความตายมาเตรียมพร้อมอย่างต้องนึกนะคนหลังตายนี่ยมันจะจบนะ มีรางวัลอีกนะมีโทษอีกนะอาจารย์นกูโบมีมหต้องนึกโอ้มีกุโบนแล้วเตรียมพร้อมมยยังอะไรบ้างเร่ยนทำไม่ถูกลงโทษในกุโบต้องเรียนอีกมีอะไรบ้างมีหลายข้อนะคนที่ไม่นำมาในถูกนะคนไม่จ่ายสะการถูกคนจะทรยศแต่พ่อแม่ถูกถู ก, ถ, กถูกลงโทษนะคนตัดข่ายกับเครือญาติถูกเอาโลอักบัตถูกหมดเลยนะเยอะมากนะ คนที่กินเงินเด็กกับพระถูกอโลโหเหไหมเรื่องที่สองนบีสุไลมานเนี่ยตายตั้งปีหนึ่งแล้วแต่ยินไม่รู้นบีสุไลมที่อัลลอ์ให้ยาหน่งก็คือคุมยินคอนโทรลยินอัลลอ์ให้นะคอนโทรลยินสร้างมัสยิดอัลอัลอัลอัลซอนยินสร้าง บิสไลมาคอนโทรลคุมอยู่บิสไลมา น, นี่ยทำไมทาไมจึงพูดเรื่องยิ น, นอาญานีด้วยเพราะยินนี่ไปอ้างอ้างตัวเองว่าฉันนี่นะรู้เรื่องความลับของมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจนวนมากนะที่อาศัยยินหากินกันอยู่วนนียหลอกมนุษย์อ้างว่าฉันเนี่ยรู้ความจริง รู้เรื่องลับของมนุษย์ทั้งหมดนี่อัลลอฮ์ต้อตงการจะเผยแหละที่เองที่ยินพูดน ก, ก, ก็หกถ้ารู้เรื่องความลับะนบีสุลัยมานตายตั้งปีไม่รู้เลย <c oughs> ตายมาตั้งปีนั้งแล้ยยังไม่รู้เลยท่านนั่งอยู่ในห้องเขาเรียกว่ามหรอบอานั่งเนบฮาลอบมองดูเขาทำเป็นกระจกในยุค ข, ของนบีสุลัยมานเนี่ย เ, เทคอะไรเนี่ย เทคโนโลยีน่ะสูงไกว่าสมัยนี้โอ้ยพี่น้องสมัยนี้จังหวัดเจริญสุดเลยนะยังสู้สวรรค์นบีสุลมานไม่ได้เีอยู่สมัยเดียวนะที่อัลลอฮ์มอบความรู้ให้กับนบีสุลัยมานอะลัยฮิสลามยิบยิ้มก็มองอ๋อสุลมานอยู่กำลังนำมาอยู่ไอ้ท่ายืนถือไม้เนี่ยมองดูยังอยู่อทํางานต่อทํางานต่อทํางานต่อ เพื่อต้องการจะให้มนุษย์ที่อ่านกุนละอานไม่ให้ถูกหลอกฉะนั้นคนที่อาศัยยินน่ะเองทําบาปอย่างแรงเลยนะทําไมไม่พึ่งอร่อยล่ะพึ่งยิน <c oughs> ฉะนั้นยินอ้างวันฉันในรู้ความลับของมนุษย์เราต้องการจะเผยละ่ะเองรู้ความลับของมนุษย์จริงน บ, บีสุลัยมาน่ะตาอยยังไม่รู้เลยจนกระทั่งนบีสุลัยมานล่มไปเพิ่งจะรู้อ้าก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะต้องการจะด่าใคร ต่อการจะเตือนมนุษย์ให้ใช้ปัญญาในกะารมาดู q u r านฟ า, มมาดามกอด้ยนาไลฮิมาวกอด้วยนาแปลว่าเราได้กำหนดเห็นไหมอัลลอฮ์กำหนดอะไรครับอัลเมาดความตายอาลฮ์แก่ไขแก่นบีสุไลมานอัลลอฮอักวัต เขาจะพูดเหมือนกัแกมนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้แพะแกวัวควายนี่มีเมียวันหมดอายุกันหมดเองอยู่ได้กี่วันกี่วันตายกี่วันตายกี่วันตายนั่นต้องนึกถึงความตายด้วยถามว่าความตายเนี่มาจากไหนก็ด้อยนาะเนี่ยเราใช้ภาษาเองนะเราได้กําหนดอทุกคนมีวันตายหมดจะตายยังไงให้สง่างามต้องขอทวงอาออยีเจ้าลอ ให้ฉันตายขณะที่ฉันเป็นมุสลิมให้ฉันตายขณะที่เป็นมุสลิมพอนะเลือกต่ออีกนะขณะที่ฉันกําลังนมาเธอให้ฉันตายขณะที่ฉันกําลังเดินประวัิที่ใบตุลนล่อเธอกําลังคล้องชุดอย่รอมเธอขณะนั่งอ่านอัลกรุรอานเธออัลลอฮ์ขอตัวลาตัวละหลังจากการปรีมะเลออิเลออิลลอรด้วยเธออย่าลอทําไมต้องขอล่ะ พอนาบีสอนเอาไว้ครายที่กล่าวกะลิมาว่าเลออิเลฮิลลอได้ไปสวรรค์นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนเรื่องความตายเนี่ยดีไไม่ดีดีแต่วันเกียมะไม่ตายแล้วอัลลอฮ์ไม่กำหนดความตายความตายเฉพาะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อันเดียวนะครับฟาลามมากอดอยนาอาเลยฮิลมาคั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก สุล aiman แก่นบีสุล aiman มาดัลลาอะลามาุติดัลลาแปลว่าชี้หรือว่าสแสดงไม่ไม่ได้มีอันใดชีแด้แสดงแกเขาแกพวกยินนะนะความตายของนบีสุล aiman ไม่มีอะไรบอกให้รู้เพราะนบีเราขออุทิศเอาไวนะ้น่ะอัลลอฮ เวลาฉันตายเนี่ยอยาให้พวกพวกยิ น, นมันรู้พอมันคุยเยอะยินเนี่ยมันหลอกมนุษย์มาตั้งเยอะเวลาฉันตายเนี่ย น, นะอลัลลอฮอยาให้ยินมารู้นะต่อมาครับอินลาดาบตุลอารดอิลานอกจากนะครับดาบะแปลว่าสัตว์เลื้อยคราน ในตัปสหีหลายเล่มอธิบายว่าปลวกสัตว์เลือ้อยคานในแปลว่าปลวกอาจจะเป็นมแมลงอื่นก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่เลาชี้นะชี้อย่างเดียวว่าดาบเป็นสัตว์เลือ้อยคานชนิดหนึ่งผมเช็คจากหล า, หลายภาษาในะภาษาอุรุกดูอธิบายว่าดีมากแปลว่าแปลว่าอะไรน ะ, ะปลวกอัอลอาบดลสัตว์เลือ้อยคาน ของของดินของแผ่นดินสัตว์เลื้อยคานของดินอยู่ใต้ดินนี่นะมันขึ้นมากินไม้นะนบีมุสลิมานมีถือถือไม้อะไรนะตะกูลมันแท้มันกินมินซาตาหูไม้เท้ามินซาเนี่ยแปลว่าไม้เท้าหรือว่าอาัลซอไม้เท้านะนบีมุสลิมานยืนถือไม้เท้าอยู่แต่ได้แล้วก็พอไม้เท้าเนี่ยมลง สัตวเลยคานหะรือปลวกก็ได้กินกินกินไม้เท้าเนี่ยหักลงไปตัวเองก็ลมประมาณปีนึงนะ่ะเอาละนี่เอาละเล่าให้นบี ม, มุ hammad ฟังนี่ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่สะอาดเอาละเล่าเอง ม, มุ hammad รู้เปล่ายินน่ะมันคุยมากเหลือเกินนี่ตัวการจะสอนนบีสอนพวกเราวันนี้ว่าอย่าไปเชื่ออะไรยินนะ่ะพอยินนี่ยินดีมีไม่มี ยินส่วนใหญ่เน่ยยินยินเร็วๆเนียเยอะยุยินยินยินกาแฟเนี่ยเยอะมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคุยเรื่องยินเนี่เป็นชั่วโมงก็ไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับฟาร์มาคอรอขอรขอแปลว่าล้มลงเมื่อเขาล้มลงเมื่อใครเมื่อนบีสุลัยมารล้มลงหลังจากสัตว์ เคลื่อยคาหรือปลวกนี่กินไม้ถือของท่านบีมูซาลแล้วใช่ไหมลม้มลง ต, ي ي ต่ใบยาติลจินนี่ยจินได้รู้อย่างแน่ชัดเพิ่งรู้จินเพิ่งรู้อย่างแน่ชัดว่าอัลลอกาญูย์ลมู ถ้าพวกยินรู้ในสิ่งเร้นลับสำกับเรฟประวสิ่งเร้ น, รนลับมาละบิซูฟิลอาเาบิลมูหนพวกมันก็จะไม่ต้องอยู่ในอาซาไ ป, ปะว่าการลงโทษอัลมูหินการลงโทษที่อัปยศคือการทำงานเหนื่อยนะทำงานนี่นะภาษาของอัลลอ์ก็คือว่า เป็นการลงโทษชนิดหนึ่งนะครับที่อับประยชน์ฉะนั้นการทํางานเนี่ยมันเหนื่อยนะใช่ไหมที่หลายคนพอเหนื่อยแล้วอะไม่นามาดเยอะแต่เราก็ทำงานก็เหนื่อยฟรีอยู่แล้วเสร็จจาก ง, งานแล้วเข้านอนเลยไม่นมาดเยอะมั้ยเยอะมากทํางานก็เหนื่อยแถมไม่ขอบคุณเราล่ออีกโอ้โหถูกสองเด้งเลยนะนะฉะนั้น ยินเนี่ยชอบคุยฉันงั้นฉันอย่างนี้ฉันนี่โหรู้เรื่องลับขึ้นไปบนอะไรนะบนชันฟ้าใช่ไหมล่ะไปแอบอยู่ที่ก้อนเมฆนะยินประชายตอนเนี่ยเมะกอูเนี่ยขึ้นได้ตอนหลังเนี่อลอยไม่ให้ขึ้นแล้วเพราะมันไปขวางทางกุราณขึ้นลงยิบรีนขึ้นลงวันหลายๆรอบนะมหานาบีใช่ไหมวันนี้ก็ต้องการจะเตือนพวกเรามันกันอย่าไปเชื่ออะไรยินนะอย่าไปพึ่งยินนะเพราะบางคนเนี่ย ไม่ได้อยู่บ้านะไปนอให้ยินมาเฝ้ า, าอะไรอ่ะเอ็งไม่ขอจะเอาล้อแล้วพอมีบางคนเล่ากับ้ฟังว่าเขามีวิธีให้ยินมาเฝ้าบ้านไปขุดดินหน้าบ้านสีม่มุมแล้วก็เดินอ่านบุอาอะไรสักอย่างนึ่งแล้อาศัยยินทั้หมดเลยทําทําไมบ้านบางบ้านไปน้องครับไม่มีใครอยู่ก็ ม, มีเอายินะมาม า, มาเปิดมาเปิดไฟ ให้คนที่หัวขโมยทั้งหลายโอบ้านนี้เจ้าของก็มีฮะเปิดไว้แล้วไม่รู้ว่าใครเปิดกันไปวเนี่ยอ้างอ้างยินทั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งนี้อย่าทํานะครับอย่าทํานะครับถ้ามีบ้านหนคนอยู่กัวกบว่ากล้าเผื่สุราก็ไปสิใช่ไหมลนะ่ะให้ตัวเองได้ผลและบุญด้วยอย่ามาหาเงินไรายได้เข้ามาสิดเข้าไปซะควรจะเป็นอย่างไง้นมาใช้คุมมาไว้อัลลอฮฺบ้านเป็นจเนจ้าของเจ้าของเจ้าของเจ้าของ ทำไมไม่คิดจะเสียสลาตามคำอัลลอฮฺสุภาหูอาาัตตาอาทีนี้ยินเนี่ยสร้างไปคุณมักดิสนะนบีสุไลามานนี่ยไปนอน ก, กับอายุเท่าไหร่เสียชีวิตรู้มมีส อ, สองรายงานรายงานหนึ่งบอกว่าอายุ53สอีกรายงานหนึ่งอายุ67นะแล้วก็เป็นกษัตริย์40ปีเป็นกษัตริย์ 40ปีตั้งแต่อายุ13นะ่ะเป็นเป็นกษัตริย์แล้วก็รู้ภาษานกรู้ภาษามดนี่อลัลลอฮ์ให้นะนบีอยู่คนเดียวในโลกเพื่อจะเตือนพวกเราวันนี้นะ่ะอลัลลอ์มีความสามารถจะให้ใครคนหนึ่งคนใดเป็นอะไรก็ได้นี่เตือนพวกเราคนที่อ่านกุร์านเนี่ยอย่าหลมอะไรเยอะใครที่มีรายการพิเศษตัวเองเอลัลลอฮ์ให้พิเศษต้องนึก โอ้เ oh, นี่ยเอาลองให้ฉันอ oh, ได้อย่างงี้มาได้อย่างงี้มาฉันแน่ยานะไอแ้แน่แน่เถูกแผ่นดินสูบมาแล้วใช่ไหมล่ะใครอ่ะก็รู้ใช่ไหมหาเงินได้ทองได้เงินเข้าทอ ง, ทองเยอะทําอะไรก่เป็นเงินหมดเนี่ยคุยอ่ะ แ, แบบยินคุยอ่ะหน้าแต่ไม่ยินเงงอ่ะอ้ยาเนี่ยยินหน้าแตกเลยนะแฉความลับของยินยินไม่รู้ ถ่ายรู้มันก็ต้องรู้วานอบุลิสุลมานเจ้านามันตามันยังไม่รู้เลยฉะนั้นเพื่อกจะบอกพวกเราวันนี้เหมือนกับเองได้รับอะไรทั้งหมดไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองนะเองถึงสแสวงหาก็จริงอ่ะนั่นเป็นความรู้ของอัลลอ์ทั้งหมดอย่าตะกับบทญาเยอะยิงอย่าจองหองอย่าอวดดีให้ทอมต้นสิฟัตสิบข้อที่มาทิอานสุอาซาบนะ อวัลมุสลิมีนอวัลมุมินีนวัลข้อเชยนวัลข้อเชียตนะนะสิฟัตน้ น, นะเก็บบะบาในตัวเยอะๆให้นอบน้อมให้ทอมตนกลับเอาล็อเยอะๆกลับมนุษย์ด้วยอย่ากังอย่ากังเอาต่อมาครับตัวลวงวานาบีบุลัยมา น, นี่อายุเท่าไหร่นะอยูส1บสาปีเียจะเป็นกษัตริย์แล้วนะแล้วก็ไปตึงมักดิสเนี่ยอัลลอ์เนี่ยสร้างกนมัส j ิ ที่นครมากาเนี่ยสปนะีสร้างกรฮารอมเนี่ยสปีสมัยเก่าด้วยนะนี่เพียงประวัติศาสตร์ที่เล่าไว้ฟังโัวนั่นเองนะเอาต่อมาครับทีนี้นบีสุลัยมานเป็นอย่า ง, งี้ครับพอสร้างมัสยิดเสร็จในตับซิดกุตบีนะอธิบายบอกว่าท่านเนี่ยได้เชื่อรัวนะกุลบาททำทกุลบาทแจกเนื้อกันเลยนะ เชือดวัวประมาณหนึ่งมื่นสองพันตัวท่านเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดนะทำบุญนะเห็นไหมเนี่ยแนวอย่างเงี้ยเอามาคิดโอ้โหเขาทำบุญนะทำบุญนะทาบุญนะแล้วก็เชือดแพะกระแก่อีกแสนสองมืน 2, 000, 000, ตัวเห็นไหมบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคแล้วก็ยืนขอดูอาตอาลล l a h ขอว่างี้ย Allahumma anta wahhab า a l i h a asultan อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ Allah, ให้อำนาจฉั น, ค, น, นคุมนุ่นคุมนี่คุมนี่คุมนั่นเฉพาะยินยินนะครับนี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะเขาไม่ลืมอัลลอฮ์นะมันจะคุยกลางนะเห็นไ่มเป็นนบีนะแต่เป็นคิงด้วยนะยังขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอทวารต่อไปนะครับวาตาวัฟฟานีวกาวะวตานีอาลาบีนาฮาดลมัสยิดให้ฉันมีอำนาจสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์จบ ข้อที่สามอั um an an ลลอฮฺหุมาอาซเจียนีชุกรอกาอัลาอ์มาอานามตาอะไรอย่างเราจะให้เปิดโอกาสให้ฉันได้ขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆอัลลอฮฺเนี่เอาอัลารของนิสัยสุลิบานมาใช้บ้างนะของนบีแ น, น่นอนอยู่แล้วเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดแล้วก็วาตาวฟานีอัลมิลลาติกะให้ฉันตาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺโดยเถิดเป็นย่งเนี่ยถทำให้เราถ่อมตนไหมถ่อมตนครับ เวลาตุซกอลบีบาดอิสลามใดตานีอย่าเปลี่ยนแปลงหัวใจของฉันหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ชี้ทางนําแล้วอย่าให้คิดอะไรที่สําคัญกับอิสลามไม่นี้แล้วอิสลามสําคัญที่สุดนี่น บ, บีสุลบานขอดุทิศต่อเราเนี่เอาความรู้อย่างนี้นะครับมาประดับตัวเราโอเราต้องนอบ น, อน้องต้องถอ่อมตนเราทํามันนู่นก็สําเร็จแล้วอ๋อเราทำดีแล้วอย่าคิดว่าความรู้ของฉันปล่าความรู้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอํานาจอัลลอฮ์ให้มา ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาบูตะแล้อัลลอฮ์อัลบาะตัวมาครับอายาที่สิหแล้วก็เดกานาลิซาเบอิมฟีมัสกานิฮิมอาเยจันนตานิอันอันยามีนวะชิมา ค ز ล ق ِ ر َ ب ah, an ِّ ك ُ م บ وَاشْكُرُوا ل َ ه ะบَ ل ْ د َ ة ٌ طيبة ورب ٌّ غ َ ف و ر الحمد لله لقد كان ل س َ ب َ ي ٍ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال กลูมิริษก ي รับบิคุม وشكر ุ له ب ل د ا ตุน طيبة و บบุ ن غ ا ฟูรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่พูดถึงเรื่องเมืองซาบะนะเมืองซาบะเนี่ยยังอยู่ในประเทศเยเมนนะประวัติศาสตร์เนี่ยน่่นคนที่เรียนคุรอ่านเนี่ย เป็นมุสลิมต้องจำประวัติศาสตร์เยอะถ้าไม่อิมานเราเพิ่มประวัติศาสตร์นอ่นะครับเมืองซาบ้า น, นี่ในช่วงนบีสุลมานนี่นะครับเป็นเมืองที่อะไรนะมีสวนกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีน้ำไหลมีผลไม้กลิ่นหอมอรลอนะนี่ตัศนที่อธิบายหมดเลยนะแล้วก็ไม่มียุง ไม่มีแมงวีไม่มีประตะขาบไม่มีงูไม่มีเลยพี่น้องอากาศดีหายใจในสุขภาพคนแข็งแรงหมดเห็นไหมนี่อร้อนเล่าในกาแฟกูาอานให้สบมยหัดฟังนะเมื่อมาศนะสอนอุมามของท่านนะไอ้อากาศดีเนี่ยมาจากไหนแล้วบรรเรา่าในมีอะไรสองจุดห้าอะไรนี่แหละมาจากใครต้องนึกโหเรานี่แย่ yeah. เราเปลี่ยนอากาศจากอากาศที่ดีที่เดน่นแล้วมาเจออากาศอย่างนี้เราเองขอบคุณใครนึกถึงใครอะ่ะต้องมองตัวเองก่อนโอฉันนี่ผิดเยอะแล้วเนี่ยนะต้องตบหาตัวตัวเราแล้วอล อ, อกาการน้ำท่วมกับการที่มาก่อนก็นถึงมะร้าวได้ยังไมนะ่ล่ะที่ยุทธญานอะ่ะไม่ใช่ท่วมอย่างเดียวนะยังเหม็น อ, อีกอ่ะต้องนึกอนะ่ะและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่แต่ละวันที่เกิดขึ้นบนโลกดุงดาวไปเนี่ยต้องนึก ไม่ใช่ผ่านไปผ่านไปเรายังอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่พอผ่านไปต่อให้บาดหมานี่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยถูกอย่างเนี้เนี่ยอร่อยไม่ให้ถูกเนี่ยต้องอ่านดูอาแล้วนะ่ะไปเยี่ยมใครก็ทําแต่ไปน้อนไปน้องเราเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรคอะไรโอโ้โหสิบโรคยกตัวอย่างเนี่ยรักวัดยกมือก็ไม่ไหวตังก็เยอะทํำไมไม่หายละ่ะ ต้องต้องนึกนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฟาเน่ไม่มาบัตรลาคาบีวะฟาะดลอเนาะลากซีริมิมมันคอยละก็ตัฟดีลา ขออุทิศอย่าให้เราเป็นเหมือนเขาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินได้รู้อ่านอุอาศเลยใครที่อเมริกาทิ้งระเบิดใครตายตอ่ะสุริยมานี่อะไรเนาะต้องอ่นอานอุทพวกอานนัอ่ะคุครองไงฉะนั้นอะไรที่มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นี่อัลลอฮฺสอนเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นให้นบี ม, มุฮัมมัดฟัง การเมืองใหญ่ๆเมืองดีๆอากาศอะไรนะโอโกอากาศดีใครให้ต้องนึกนะนี่อัลลอฮ์ให้นะให้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้สูตรอากาศของอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอ์และเองทำหรือเปล่าดูดูกรุรอานัแล้วก็จะกาณาลิซาบัยนฟีมัสกานีฮิมแล้วก็โดยแ น, น่นอ ย, ย่งกาณาลิซาบัน ดินแดนนะครับของเมืองซาบะอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาดินแดนสับเบนดินดนิ่มเข้าใจง่าย น, านะนะดินแดนของเมืองซาบะนั้นฟีมาสกาเนหิมมีในที่อาศัยของพวกเขามัสการแปลว่าที่อยู่ของพวกเขาบ้านของพวกเขาน่แหละนะที่อยู่อาศัยของพวกเขานั้น อาอยาจันเป็นสัญญาณหนึ่งาเป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์ทําเองอัลลอฮ์จัดให้อัลลอฮฺอักบัตเป็นสัญญาณนะต้องนึกนะที่อยู่ของเขามีบ้านช่องอยู่นี่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนี่เตือนพวกเราที่อ่านอุราอันบันี้ต้องนึกได้ลูกมาต้องนึกนี่อัลลอฮ์ให้มาะนะพี่อิบราฮิมยงขอทุกอาเนี่ยได้ได้ใครมานะได้อิสทากมา ได้อิสมาอินมาท่านขอมาอัลลอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิวาฮาบัลีอัลลกิบารีอิสมาอินและอิสฮะนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีปมาดฟังให้นบีมาสอนเองได้รับเนี่ยมาจากอัลลอ์ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยลูกก็เป็นเนี่ยมัตนาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิวาฮาบัลีอัลลกิบารีอิสมาอินวะอิสฮะ ลูกสองคนของนบีบรอฮีมชื่ออิสมาอิกับอิสฮากใช่ไหมนั่นแ่ะทำไมอัลลอ์ล่ากับพิกลานให้นบีฟังให้นบีเตือนนบีเตือนพวกเราวันนี้ให้นบีมาสอนได้รับเนี่ยมาจากอัลลอ์ต้องขอบคุณอัลลอ์ด้วยไม่ใช่นั่งเฉยๆสุดยุก็ไม่มีฮัมดูลิละก็ไม่มีซิกรุลลอถึงอัลลอ์ไม่มียอย่าเป็นคนแบบนี้นะครับ แล้วก็ด็ก น, นัลิสาบาอิมฟีมัสกานิหิมอายโดยแน่นอนยิ่งดินแดนนะครับของเมืองส บ, บะนั้นมีสัญญาหนึ่งอายะมีสัญญาหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขาในที่อาศัยของพวกเขานั้นมีสัญญาหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อับัตที่เขาอยู่เมืองที่เขาอยู่นี่แหละอัลลอฮ์ให้นะ อย่างบรรดาเราลอกกัให้เยอะนะทัมดยแล้วบางทีก็ให้ดีบางให้ไม่ดีบางให้ดีก็ทัมดยให้ไม่ดีต้องนึกเช็คตัวเองฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าต้องนึกต่อมาครับยันจะนี่จะเผยละอ่าสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้หนึ่งสวนสองแหงอัลลอฮฺอักบัดเรามีสวนต้องนึกฉันเก่ง บอกกับลูกพ่ออือชั้นหนึ่งเลยเนี่ยซื้อสวนได้ที่เขาห้ายอดเอายกตัวใหญ่ห่างละห้าร้อยไร่ในที่ของพ่อเห็นยังพ่อเก่งนะอืมชั้นหนึ่งกำลังสอนลูกให้หลงอะ่ะต้องบอกกับลูกครับเนี่อลองให้กับเราต้องสอนอย่างงี้ม่ใช่พ่อเก่งมาเธอเนปะ็นอมชั้นหนึ่งแล้วขยันหน้าดูเลยเข้าสวนลวกลางเช้าออกสองทุ่มมาได้น้มาเลยคุยทําไมอะ่ะคุยให้ลูกหลงเนี่ย อยางนี้เป็นต้นดานนี่เตือนกันนะเตือนกันเข้าใจง่ายๆนะยันนาตานี่มีสวนสองแห่งอันยามีเลนทางขวาวาชิมาเลนทางซ้ายเล่าให้นบีมอมมัดฟังนั่นสมัยหนุ่นที่ผ่านมาแล้วในอดีตมาหลายพันปีมาแล้วฉันทําเมืองซาบะสถานที่อยู่ของเขาเป็นยังไงมีสวนโอซ้ายขวาเลยจะเดินไปทหนมีแต่สวนสวนสวน เขาบอกว่านะต้นไม้ทั้งหมดนี่สวยมากเดินมีตร่มหมดเลยอะ่ะไม่ดีไม่เจอแดดน่ความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ของของของประเทศและผละไม้นี่ยอรอกินอะไรก็อร่อยหมดอะ่ะอร์อากาศดีมแมลงไม่มียุงไม่มีนั่นเนี่ยอร่อให้ทั้งหมดนะถ้าเทียบกับปัจจุบันเราก็ต้องนึกให้บเรานี่ยังไม่เหมือนสมัยนาบี สไลมันเพราะอะไรที่เมืองซบะเพราะอะไรต้องนึกเราเปนชั่วมากกว่าเก่าหรือเปล่าประชากรตรงนี้มีอยู่กี่พันล้านนะร้อยล้านนะขอบคุณอลัลลอฮ์กี่คนอา้าวนะต่อมาครับกูลลมิริสกิรบบิกุมนี่อลัลลอ์สั่งนะให้สวนมาแล้วมีผลมาเต็มไปหมดนะจงกินมิริกรบบิุม เครื่องยังชีพจากไหนต้องนึก น, นะนะไม่รบบกุมจากพระผู้อาิบาลของท่านทุกคน ต, ต่างคนต่างนึกกินแล้วต่างคนต่างต้องนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวุตอาลานี่สอนให้ทอมตนใช่ไหมสอนให้นึกถึงใครอัลลอฮฺแล้วคนนึกถึงอัลลอฮฺมีกี่คน มี้เป็นต้นนี่นะเนี่ยเราต้องมีนี่นะหน้าที่ก็ต้องไปดาว่าละเชิญชวนละนี่นะอัลลอฮ์ให้คุณเยอะขนาดนี้นะอย่างนี้เป็นตน้นวัชกูรูละหูวรนี่สําคัญมากเมื่อให้แล้วเนี่ยอย่าทะนงตนอย่ายิงอย่าตะกับบติยากางอย่าลืมฉันวัชกูรูละหูจองอะไรครับจ้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาละหูมาถึงอัลลอฮ์นะชอบคุณต่ลลอ คำว่าชั่กตอธิบายได้เยอะมากชั่กอมีต่าหลายอย่างชั่กตดวยใจชั่กตดด้วยภาษาชั่กตดด้วยท่าทางชั่กตดด้วยเงินได้ไหมอเอาเงินมีเงินบริจาคไว้บริจาคบริจาคบริจาคดูแลคนนั้นคนนี้คณะดูแลแมวไมาดูแลแมวยังถูกลงโทษในอาสาจะไม่ละก็ะดูแลหมาเองอะ ขนาผู leisure, in, bob, si wild, apping, ้หญ so, ิงโสเภณีดูแลหมาอตามเอาน้ำให้หมากินยังอร่อยยังอร่อยยาตัวทินดาบีเล่าเองอ่ะวัชกรู้ลาจงขอบคุณออลลอฮฺท่านคนมีความรู้ต้องทอมต้นคนมีเงินต้องทอมต้นคนมีภรรยาต้องทอมต้นท่านมีลูกต้องทอมต้นจะมีอะไรมาก็แต่ยิ่งมีสวนโอ้โหลอยยอดห้ารยอดมีตั้งห้าร้ไร่ออลลอฮฺ ยิงหน้าดูลเลยอัลลอ์พี่น้องไม่คุยกันใครแล้วอย่าทำพี่น้องวัชกรูเรูจงไรนะจงขอบคุณอลัลลอฮ์นะให้ริสกีมาต้องขอบคุณอลัอลอลอฮ์เตยสวนด้วยนะพระพุทธเ้ผู้เราก็มีสวนด้วยกันทุกคนใช่ไหมาต่อมาครับบัลดาตุนตอยบาบัลดาแปลว่าดินแดน ตอยิบะแปลว่าดีมากเลยสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์บัลดาตอยีบะประเทศชาติหรือจังหวัดหรือตำบลที่อุดมสมบูรณ์มากไอต้ตอยีบ้านี่คืออธิบายต่อไม่มียุงอ่ะไม่มีทะเลาะ ก, กันไม่มีเรื่องปิดกทมได่ไหมไม่มีปฏิวัติผู้ปกครองกับชั้นหนึ่งเลยมิสุริมาทำเป็นแบบไว้ไป่น้องเห็นยังครับผู้ปกครองต้องต้อ ง, งนึกมุดเนี่ย โอ้ oh. ปาะธานเราเนี่ยอร่อยจริงๆอ่าประธาเราดีมากๆก็ต้องนึกอ๋อขอบคุณอ๋อขอบคุณอ๋อถ้ามันยุ่งๆมากก็นั่งอยู่เมียก็ได้แตไม่ต้องไปด่าเยอะเพื่น้องเราจะกอแต่ละคนุลลออจัดการแทนฉันด้วยฉันไม่รู้เห็นไหมเนี่ยอ๋อแล้วนักพิกานะประเทศเมืองซาบะบัลดาตุนโตยิบะตุนเป็นเมืองที่อ๋ออุดมสมบูรณ์อากาศดีผลไม้เต็ม ยุงไม่มีน้าไม่เสียอยู่ของเคดเป็นไงขาวด้วยดำนี่ฝีมือใครมนุษย์ทั้งนั้นละอันนี้เป็นตัวนะวารับบุญว่ฟูอัลลอัลลอฮฺอักบบัดนี่ชมาะลอะองนะอัลลอฮฺผ่ผู้อาภิบาลรับบุญเป็นพระผู้อาภิบาลดูแลรับผิดชอบนะวอฟูรุนเป็นผู้ทรงอาภัยอีก คำว่าอาภัยเนี่ยต้องเตาบ้าก่อนถึงจะอาภัยจะให้อภัยสอนนะจะหวงังวางหวังการอาภัยโทษจากอาลัลลอฮ์ต้องอับต้องเตาบ้าตัวนะ่ะทำอะไรผิดเพราะทุกคนมีความผิดหมดไม่มีใครสะอาดคนที่สะอาดไม่อยู่คนเดียวใครน บ, บีมะซูบอกว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินเลยเพราะอาลัลลอฮ์ดูแลรักษา ให้จิบรินมาเป็นคอนโทรลไดเรกเตอร์คุมอยู่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาพี่นบฉะนั้นเรานี่ความเพียรด้วยกันทุกคนอัลลอฮอักดาคนกับเพจใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นต้องอัสติการ์อัสตากุรุลลอสตากุรุลลอทำความดีส ม, มสม่ำเสมออัลลอฮอักบัะพี่นอกอัลฮัมดุลิลลา บัลดาตุนต่อยเป็นดินแดนที่อุดมมีอาหารและอากาศดีมีการค้าขายทางบกทางน้ำเราก็ทางเรือด้วยแล้วก็ทางเครื่องบินอีกอบิสซเลมานะ่ะใช่ไหมนะแต่ไม่จะไม่ใช่ร บ, บินแบบนี้เราอกบินอีกอย่างหนึงนะว้มากครับพี่น้องเขาเดินกันหนึ่งเดือนเขาไปก็2สองสามชั่วโมงถึงแล้ว ถา ก, กับกระชายเวลาเดือนหนึ่งนั่งขึ้นบินนบีสุไลมานแป๊บเดียวกลับแล้วสองสามโจบงถึงแล้วอย่างนี้นเป็นต้นนะเจริญกว่าสมัยนี้ท่านขอพระาอย่าเอร่อยากให้ประเทศใดในโลกเหมือนยุคของนบีสุไลมานอะัยฮิสสลาอัลลอฮฺก็รับนี่ล่าให้ฟังนะเอาต่อมาครับท่านอับดุละมานบินเจ็อ่า มาอธิบายต่อว่านบีสอนบอกว่าไม่มีแมงวีไม่มีแมงวันไม่มีตัวรินไม่มีเหาไม่มีแมงปองไม่มีงูไม่มีสัตว์ลายทั้งหลายามว่าสัตว์ลายล้วก็นึกเนียผมถูกงูกัดทำนลี่แลนักยิมต้นนะเอาต่อมาครับมีพลไม้มีต้นไม้อลลอฮปกคลุมมนุษย์เดินไปไหนมาไหนนี่มันต้องใช้ร่มอัลลออากาศเย็นสบายตนึกถึงอัลลอฮเลยนะ มีทัพสิทธิ์อธิบายบอกว่าที่เมืองซบะเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ให้เป็นตัวอย่างนะประเทศตัวอย่างที่ดีสะอาดผุปกครองดีอะไรดีเนี่ยคนอยู่อยู่สบายเนี่ยส่งนบีมาทั้งหมดเนี่ยสิบสามนบีแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรนะครับเอาต่อมาครับล้วเป็นไงรู้ไหมพอส่งนบีมาอยู่สบายลืมอัลลอฮ์อีกแล้วหา้านี้ตั้งหาก t u k a n c a r lau ayat 26. f a a r a d u f a a r s a l n a alaihim saylal alim alarom alim saylal alim wa badalna hum b i j a n n a t a y h i m jnatain a n จะว่าใจอุกุลิขมติและอัศลิและใจอิมินซิดริงกอลีอัลลอฮุอะลัยฮุตุสมฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ว่าบาดดัลِาหุมเบญ ي ัตัยหิَยันนัตัยนิَาวะทَยอุคุลินขَตินและอัลลิห์แลَเชยิมในสิ ص ِเริงกอ ل ิลอัลลอฮฺอักบาร์ฮะมดุลิลลอฮฺ <يل> ความรู้ทั้งหมดเลยนึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้น อยู่กันสบายสบายสบายทรงนบีมาสอนต้องสิบสามคนให้ทําดีนะให้กินอาหารของอลัลลอฮ์นะไอ้กินก็มันกินอยู่แล้วแหละแต่ไอ้ข้อที่สั่งให้ขอบคุณนั่นไม่ค่อยมีอทำเลยๆนี่เตือนพวกเราวันนี้นะของทุกอย่างที่อยู่ในครัวเรือนคุณอลัลลอฮ์ให้ภรรยาที่คุณนอนกอดอยู่อัลลอฮ์ให้ลูกของคุณจะเป็นกี่คนก็ตามมีความรุ่ม เข้าใจศาสนาที่ดื้อๆทั้งมดอรรถทดสอบหมดเลยนะอย่ากลางอย่าตะกรบสถ์มีเงินมีทองอย่ากอดเงินใจมาถูกต้องเพื่ออาอนั่นหวังรางวัลตอบแทนจากอรรอรรถให้มาเนี่ยบางคนก็จนอยู่ีิมบ้านเราเราก็มองเออเรานี่ดีกับมันต้องเยอะคุยแค่นี้เด้อมันต้องให้กับบ้างเอาไปพันสอง0ันหสองหมื่นเอาไปหวังรางวัลตอบแทนจากอรทำตัดเลย ต่อมาครับฝาอารอดูแต่พวกเขานั้นมาถึงชาวเมืองสะบะหลังจากมีนุ่นดีไอหนีดีอาหารดีสมบูรณ์น้ำสะอาดยุงไม่มีอะไรนะมลภาวะไม่มีอัลลอฮ์ดีหมดเลยนี่นะฝาอารอดูหันหลังให้นี่นะเป็นข้อผิดพลาดอย่างแรงเลยเตือนพวกเรานะเตือนนบีนะ ว่าอาเราดูพวกขาวทำไงครับหันหลังหรือหันห่างอธิบายเองก็ได้นักอธิบายว่าหันหลังหันห่างกับคําสอนของนบีที่อัลลอฮ์ส่งมายุคใคยุคมันหันห่างจากคําสอนของอัลลอฮ์ที่ให้ความสอนผ่านนาบีมาสิบามนบีมาโดยเอ่ยมาเชิญ น, นบีอะไรนะนะครับให้มาสิบสาคน หันห่างมนุษย์ไม่เอาสนาเอาตะกินเอากระโนนสูตรอากาศของอัลลอฮ์ฟรีแล้วก็กินน้ำอร่อยอร่อยค้าขายกันเพลินได้เงินเพลินนับเงินกันเพลินทำดินาทำสารพัดเลยแบบปัจจุบันนี้แหละอยู่สบายจริงๆอัลลอ์ Allah, ไม่ได้คิดถึงอัลลอ์เลยเนว่าฉันทำเองฉันปลูกสวนเองหเห็นมอตตอมาครับ ฟ้าร้อนَาลนะอาไลหิมอโลนะเราได้ปล่อยปรพวสงคงเราได้ปล่อยครับอาไลหิมท่วมพวกเขาไซลาอาริมน้ำเขื่อนน้ำที่ถูกกักเอาไว้อยู่บนเขื่อนไปน้องครับตั้งหลายปีมาแล้วเป็นร้อยรอยปีมาแล้วเปน้องครับน้ำไม่เคยเขื่อนไม่เคยพัง啊 เนื่องจากมนุษย์ทรยศตอ่ออลัลลอฮ์อัลลอ์ให้เขื่อนนั่นพังแล้วก็น้ำเนี่ยไหลลงมาท่วมบ้านพังหมดเลยสวนที่ว่าต้นไม้มีผลไม้อร่อยอร่อยกินหอมเดินผ่หนมันสบายมากว่าต้องชายร่มเลยเป็นวังครับน้ำท่วมตายเกลี้ยงหมดเลยนี่สอนกับนบีให้สอนกับอุมมานบีว่าอย่าทำตัวแบบนี้เห็นมน้าท่วมหมดเลยตายเกลี้ยงเลยอะ มนุษย์อาจจะหนีทันใช่ล่ะเอาหนีกันไปมีบ้านตั้งสิบล้านยี่สิบล้านเราสร้างเอาไวา้ใช่ไหมคุลืมมันลองอ่ะท่านจะสร้างสู่เราให้ดีหน่อยไม่สร้างสร้างบ้านกูก่อน <c oughs> นี่เตือนสติพวกเราวันนี้พราน้ำท่วมต่อมาครับว่าบัดดลนาและเราได้เปลี่ยนหล่ลลทีแรกนะให้ใช่ไหม ให้อากาศดีต้นไม้อรอเฉียวจะองค์อยู่ทางซ้ายทางขวาเดินไปไหนเจอแต่สวนสวนสวนสวนจะหยิบอะไรกินอัลลอฮ์อักุบะดของเราหยิบของเราคนอื่นหยิบไม่ได้นะเดินผ่านบ้านนี้รอมะม่วงมันย้อยลงมาหยิบเองอะไม่จะขอเจ้าของยาทำอัลลอฮ์อัลกบะดมองเมียเขายาทำทำเมียมองไม่เมียเราเนี่ยยังเป็นมองเมียคนอื่น เหตุผลพัฒนาท่าต่อมาครับว่าบัดดัลนาเราได้เปลี่ยนบิยนนาไตฮิมอัลลอักบัดเปลี่ยนสวนที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ซ้ายขวาสองแห่งของวกเขานั้นยันายนาไตนี้แทนสวนอุดมสมบูรณ์อีกสองส่วน อะไรมาแทนเราไหมวาไตอูกูลินคอมดินผลไม้รถเป็นไงครับคอมตินขมเปลี่ยนจากหวานอร่อยกินหอมอลัลลอ์เปลี่ยนเลยเพราะนิสัยเองทำเสียเปลี่ยนนิสัยก่อนอัคลากเองเสียทรอยดต่ออัลละ์ไม่ขอบคุณอัลละ์ ไม่บริจาคให้ใครด้วยกินเองอะไรเองอยุ่ โ, โหโลพี่น้องลุกฉันเมียฉันต้องสมบูรณ์คนอื่นฉมมันมั่นเอาล็อเปลี่ยนครับเปลี่ยนนิสัยนะเพราะเพราะเอ๋พราะเรามัเราเปลี่ยนนิสยัยเอาล็อกก็เปลี่ยนผลไม้จากหวานอาร่อยมาเป็นผลไม้ที่ขมมุดรูร้ไหมว่าขมอล็อกนาโมซุบิลละงี้ต้องต้องอ่านตัวว่างไงนะ الحمد لله اللذي عفاني مما بطالك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيل นี่อราเล่าเลยนะมามาฉันเปลี่ยนจากผลไม้ที่อร่อยอร่อยหวานหวานยุงไม่มีอะไรไม่มียุงมาแล้วตะขาบมาแล้วพปิงปองมาแล้วผลไม้จากหวานเป็นขมเราต้องนึกเราถูกบางนี่บางสิ่งในบ้านเราเนี่ย ลูกเราเนี่ยเป็น้องมันไม่นามาตอนนี้นี่แบบแบบแบบต้นไม้ขมเหมือนกันโอ้โหให้เราดูแลลูกยังไงเนี่ยเองอ่อนแอหรือเปล่ตาต้องคอท้องาต่อร้องเตือนเตือนดีไหมเนี่ยต้องกาสตินะพวกเรานะ ร, าระา่ระานกูอา่านกูอ่านไม่ใช่คาถาอย่าไปย่อข้ อ, อไรนะใส่คอไม่ใช่เอามาอา่านทีละอายะทีละทละวักเนี่ยทีละคำละคาเนี่ยออโอก้กลิน คอมตินผลไมา้ที่ขมมันมาได้ยังไงเลยมันขมมะกรูนเนี่ยมันหวานเนี่ยอย่างนี้เป็นตัวต้องนึกเลยนะมีบุญละมาบางคนเวลาเขาปลูกเขาปลูกเนี่ยปลูกมะ ม, ม่วงหน้าบ้านเนี่ยผมก็ทําตามบุญละมาคนนี้นะเวลามะม่วงชุดแรกออกเนี่ยไม่ต้องไปกินเลยบริจาคหมดเลยเอาไปเอาไปเอาไป วันนู้ น, น, ออนวอกเองมันกินกินเลมันพอแล้วขอบคุณอะไบางคนมีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านลูกเป็นพันๆมนไม่เคย ใ, ใครเลยอ่ะไม่เคยแบ่งใครเลยอ่ะทำทำไมอย่างนั้น่ะเพราะไม่เข้าใจอิสลามใช่หมนะ่าเนื่อาการให้โหโเสียเปรียบนะมันด่ากูมาวานกูจะให้มันทำไมอย่างงี้ไต่อมาครับวะอัสลินวะอัสลินอัสลินปนอะไรนะ เป็นต้นไม้พุ่มตัวเตี้ยเตี้จากงาเงากลิ่นหอมหอมเป็นต้นไม้พันเตี้ยพันเล็กมาเลยนะ่ะจากพันใหญ่กลายเป็นพันเตี้ยอยากก่างนี้เป็นต้นวาชัยอินแล้วก็เล็กๆน้อยๆมินซิดรินจากต้นผู้สาที่เหลือให้เห็นไม่ให้ตายเลยน่ะไอ้แม่ไอไ้อ ย, ยังเมตานะขนาดไม่เอาไอ้ร้อนเนี่ย อลัลลอฮฺยังเปลี่ยนจากของที่มันเจริญวอกงามเขียวชฉาอุ่มหอมกลิน่นอลัลลอฮฺเปลี่ยนมย่ให้มันแกนลงให้มันเตี้ยลงแล้วก็ให้มันน้อยไม่ไม่ได้เยอะเห็นอย่างจากอุดมมาแย่ลงน้อยลงอลัลลอฮฺกอรแล้วก็มีเล็กน้อยไม่จะมีเยอะด้วยนี่เตือนใครเตือนนบีให้นบีมาสอนเมื่อเราอ่านเองกูอ่านแล้ก็ต้องเลือกอัลลอฮฺอัลบร มะม่วงเรานี่เมื่อปีที่แล้วมะม่วงลูกออกเยอะปีนี้ไม่ออกเลยอนะเนี่ยอุลมาเขาแนะนําอย่างนี้นะสังเกตนะเวลาอัลลอฮฺะจะโกรธใครบ้านใครสังเกตพอต้นมะม่วงเลยนะมันจะมีอะไรไ ม, ม่มีดอกออกใช่ไหมล่ะจะให้มันดอกร่วงอัลลอฮฺให้ฝนตกร่วงหมดเลยนั่นแหละอัลลอฮฺกำลังโกรธเองต้องนึกอย่อัลลอฮฺ นี่ถ้ามันออกหมดเลยนะต้นนี้นะ่ะหลายพันลูกนะเขาเล่าให้ฝนตกพอฝนตกฝนตกเจอดอกไหมใช่ว่าร่วงหมดเลยต้องนึกรอเนี่ยทำอะไร่วงผมก็นึกรอเนี่ยเอาเราโกัแล้วเราป่าจะลงโทษนะเราใ ห, ให้ให้อลหัลลอฮฺมาอลมัลลอฮฺแบบนี้ถ้าไม่ใช่ปัญญามองไม่เห็นมองไม่เห็นครับ ถ้าไม่อ่านกุณอ่านจะมองไม่เห็นนะจะนั้นต้องนึกเยอะเลยนอะัลลอฮฺบอกว่าทุกเล็กๆในเนื้อในร่างกายเราที่มีงานเปลี่ยนแปลงเราต้องนึกนะนี่มาจากอัลลอฮฺทั้งหมดนะเตือนสตินะเปลี่ยนมาเปลี่ยนทิสัยนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราปรับปรุงตัวเองแล้วยังมีปัญหาเกิดขึ้นต้องการะโทษสอบหัวใจเองอีิมานเยอะกนขนาดไหนแต่งี่เป็นต้นเลยนะนะเอาต่อมาอันมาอียิทวแล้วครับฟาอ่าเราดู ฟ้าอาราสَลนาอَไลฮِมไซَันอาริมวับบัดลนาฮุบบิจันนาทายฮิมจันนาทายินจาวาทายอุคุลินข و มตินวะอาสลิมวะไซฮิมมิ้นซิดริงกอลีนซิดรบวต้นพุช่าที่เหลือนะหลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเพราะนิสัยมนุษย์เปลี่ยน ทาให้ต้นมนต้นไม้เปลี่ยนหมดพันเปลี่ยนหมดจากพุ่มใหญ่อลลอเหลือต้นเล็กๆอผลไม้ที่ออกมาแทนที่จะหวานเป็นอะไรขมเตือนคนที่อ่านกุอานอย่าประพฤติตัวแบบคนสมัยนู้นนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องนี่ที่เราเตือนกันนะอ่านกุอานเปขอเตือนใจนะว่าสุนทายจะจบแล้วก็พี่น้อง ザลิกาจาไซนาฮุมบิมะกาฟารูอัลลอฮฺอัลบอกแอันนี้เน nah. ี่อันนี้คำตอบนะาลิกาจาไซนาฮุมบิมะกาฟารูวะฮฺนูจาซีอัลล์กฟูร์อัลฮะมดุลิละมาชาอัลลอฮฺザลิกา j a z a ย n a h u m bimakafaru Wahal nujazi i l l a ลัลคาฟุรจัลิกแปลว่าดังนั้นแหละในภาษากุรานะดังนั้นแหละ j a z a ย n a h u m เราได้ลงโทษพวกเขาเห็นไหมเปลี่ยนจากหวานมาขมลงโทษเอ็งรู้สึกตัวเปล่ามารู้สึกก็ได้ก็อยู่ไป วลมักว <ises> <that> <mission> <sh> <out> ่าคนที <laughs> ่ไม่รู้สึกตัวค็อเรียกว่าศพใช่มล่ะศพที่เดินได้ดาราชมเองเป็นศพเดินได้เท่านั้นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันไม่ได้รับข้อคิดอะไรเลยหอล่ต้นไม้บ้านคุณเมื่อก่อนมันหวานแล้วมันเปรี้ยวเพราะอะไรไม่ได้นึกนี่เปรี้ยวทำไมวะต้องนึก กูทำผิดหรือเปล่าว่าตรงนี้ใช่ไหลูกฉันศาสนาครบปลาอิมานครบปลาลูกภรรยาเนี่ยดาซามีหรือเปล่ามันต้องนึกทั้งหมดนะต้องต้องเตือนกันนะเตือนกันเตือนกันทะเลาะกับญาติพี่น้องหรือเปล่ายัองอนะ่ะแล้วก็ให้อภัยกับภรรยาหรือเปล่าเอาเงินให้ภรรยาใช่เปล่ามันต้องนึกนะแล้วก็นบีก็สอนเนี่ยนะ สามีตูดดูแลภรรยาเอาเงินในภรรยาชายนี่นะมีรางวัลอาอัลรอมูฮะอาจรอนอัลละีอัลฟักตาวูฮะละเจ้าจิกสามีเอาเงินในภรรยาชายเพราะภรรยาก็ใช้ก็สาอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ต้องทำงานแต่พวกเราวันนี้ก็ทยศอัลลอฮ์เยอะนะอันไม่ทํางานนอกบ้านเราก็ทํากันไปเลยนะต้องสุดต้องปิดหน้าปิดตาให้มันชิดแต่งตัวอย่าเยอะมากน้ําหอมอย่าใส่ต้องทำตามสุนนะนบีทั้งหมดตัวจะมีรางวัล นิดต้ น, น, น, นไมไมต้นแล้วก็เมียก็ด่าผัวเก่งอะไรกันล่ะเนี่ยทําไมไม่ทอมตนื่อะจะด่าสามีได้ยังไงนะ่ะนี่แตะนิดนิดนะเตือนพวกเรานะอย่าดา่าอย่าด่าสามีนะพวกเธออย่าด่าสามีไม่ได้นอะนักเรียนนะต่อไปในอนาคต น, นะเลือกสามีที่มีศาสนาหน่อยราลิกะจารยนาหุมบิมากาฟารูดังนั้นดังนั้นแหละ เราได้ลงโทษพวกเขาบีมากาฟารูเนื่องจากพวกเขาเนรคุณเห็นไหมให้ต้นไม้หอมๆมาหวานๆมาน้ำสะอาดหายใจตรงไหนแมลงไม่มียุงไม่มีตะขาบไม่มีแมลงป่องไม่มีลืมอะไรอีกเนรคุณต่อเลาบีมากาฟารูอัลลลลอฮฺอั นี่เตือนพวกเรานะไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่กันหน้าไม้ด้วยนะนี่กูอ่านนะวาฮันูยาซีและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนูญาซีบอกว่าลงโทษนั่นและนะยาซาไปว่าตอบแทนเราไม่ได้ลงโทษพวกเขาบนโลกดุนยานี้นะนี่ให้เห็นนะนี่ลงบ้านเล็กๆน้อยๆจะอาักขระเจอหนักกว่านี้นะที่เฉพาะดุนยานะเอาไปเล็กๆน้อยๆแค่ตนไม้หวานมันขม รู้สึกตัวยังอะ่ะอิลลฟัฟูนอกจากผู้ที่ปฏิเสธอย่างเนรคุณเท่านั้นอลัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนดีอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษคนชั่วหมดเลยนะครับเก็ได้คนดีเนี่ยอลัลลอฮ์จะลง ล, ลงโทษบ้างก็เป็นการเตือนเตือนเตือนเตือนเท่นานั้นเองให้คนดีนำมารครบหาเวลา บ, บริจาคแล้ให้ป่วยทําไม ก็ธรรมดาผัวเลารทดสอบนะมะเวลานาบุญวันนคุณบิชายิมมินอัลคาบีวันจุ่งเยนาเวลอัมวาวัลอัมฟุเซวัลซามารอบาบัชซิลิสซาบิรินต้องการจะดูว่าอดทนหรือเปล่าถ้าอดทนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เวลาอิคารไลฮิมาลาวาตุมบรบิฮิมวรห์มะวะฮุมวลาอิคาุมูลมุฮัลลอห์ให้สมอย่างเจอมุสลิบาเป็นคนดีนะ แล้วก็มีมุสีบ้าเดรอนถ้าทําอดทนเยอะๆอัลลอฮ์ให้สามอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานความโปรดปรานให้สองประทานความร่มร้าให้อันที่สามบัวอูลาอีกาฮูมุลมุูที่มีมอาอ่านมุตะกี้นะตอนนมาดใช่ไหมอุล่าอีกาฮูมุลมูตะดูเขาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องอัลฮามดุลิละนั่นมุมินอยู่บนดวงใจนี้ทดสอบจากอัลลอฮ์เล็กๆน้อย ๆ, อยๆอยเขาอดทนเขาไม่โวยวาย แต่ที่ให้เปลี่ยนจากหวานหวานเป็นขมในี่ต้องนึกเยอะนะอะไรทำนั่นแหลคำว่าเนโรคุณ er มีอะไรบ้างได้รับคนที่ er เนโรคุณต่ออัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ไม่รีบลงโทษนะเห็นไหมอัลลอ์ต้องการจะให้เปลี่ยนไปเรียนศาสนาเสิแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองข้อที่สองอลลอฮ์ เ, เตือนมาแล้วจะเฉยเมยทำไม่ฟังใช่ไหมครับไปฟังเพลงฟังนิยายนู่นอนะ่ะอัลลอฮ์ก็ให้มาแทนเต็มเลยนะ ไม่เอาศาสนานาะยอยู่สบายไหมโอลโสบายจะตายไปเพลิ้นด้วยเข้าบาร์นยขับกินเหล้าทาศีนาใช่ไหมด่าคนนั้นด่าคนนี้ผูสร้างม็อบก็ทากันไปสิอย่างนี้เม่จนครับแล้วก็ให้อ่านกรุรานนะอ่านกรุรานแบบชาสติปัญญานะคิดด้วยนะครับบาริบาาครับซุบฮานะ ก, ลลนกอัลลอฮุมะบิฮัมดิกัสซุลลอฮิลลอฮิอิลอลฮิอสตัฟิรกาาต وعلى آله وصحبه أ ج م والحمد لله رب العالمين <ت ص في ق>